การธรรมบรรยายต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องวิธีคลายกามาฉันทะจากการเรียบเรียงของอาจารย์พ ร, รรัตนสุวรรณและจัดพิมพ์โดยสํานักคนคว้าทางวิญญาณต่อไปนี้เป็นคํานําในการพิมพ์ครั้งแรกโดยอาจารย์พ ร, รรัตนสุวรรณวิธีคลายกามฉันทะได้เริ่มเขียนลงในหนังสือวิญญาณตั้งแต่เดือนตุลาคม2512 ซึ่งเนื้อเรื่องจริงๆจบเพียงแค่เดือนสิงหาคม2513แต่แล้วได้มีเรื่องเพิ่มมาอีกสองเรื่องคือเรื่องความตายในทัศนะของแพทย์กับเรื่องการแผ่เมตตาความจริงสองเรื่องนี้ไม่ควรจะนำมารวมไว้ในเล่มนี้เพราะเป็นเรื่องคนละประเภทแต่เนื่องจากสองเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายที่เขียนลงในหัวข้อเรื่อง สมาธิและวิปัสสนาในชีวิตประจำวันสำหรับในปี 2,513 คือหลังจากเดือนนี้ก็ไม่มีเรื่องสมาธิและวิปัสสนาในชีวิตประจำวันลงในปีนี้อีกพอขึ้นปีใหม่ในเดือนมกราคม 2,514 ก็เขียนเรื่องวิธีฝึกสมาธิสำหรับคนทั่วไปจึงเห็นว่าถ้าไม่เอามารวมในเล่มนี้ ก็จะขาดเรื่องสมาธิและวิปัสสนาในชีวิตประจำวันสำหรับปี 2,513 ด้วยเหตุนี้จึงแนะนำมารวมเอาไว้ด้วยเพื่อให้อยู่ในปีเดียวกันวิธีคลายกามฉันทะอันที่จริงเป็นเรื่องยาวและใหญ่มากแต่เท่าที่เขียนมาทีละตอนลงในหนังสือวิญญาณ น, นั้นก็เพียงเพื่อจะให้แนวความคิดโดยสังเขป เกี่ยวกับวิธีคลายกามาันทะเพราะฉะนั้นผู้ที่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็อย่าคิดว่าเรื่องจะจบเพียงแค่นี้ปัญหาข้อปลีกย่อยที่จะต้องชี้แจงยังมีอีกมากมายการเขียนเรื่องนี้ไม่ใช่ทำได้ง่ายๆเพราะถ้าจะให้ได้ผลจริงๆจะต้องมีการทดสอบก็อย่างละเอียดว่าให้คำแนะนำในลักษณะไหนบ้าง เมื่อเอาไปปฏิบัติแล้วจึงจะได้ผลจะต้องวิจัยกันอย่างละเอียดและจะต้องมีประสบการณ์มากมายด้วยข้าพเจ้ายังไม่มีเวลาพอที่จะทําเรื่องนี้เพราะมีงานด้านอื่นที่จะต้องทําอีกหลายอย่างเพราะฉะนั้นหลากต่างๆเท่าที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้จึงเป็นเพียงหลักวิชาส่วนน้อยเท่าที่นึกขึ้นมาได้ในเวลาเขียนแต่ก็เข้าใจว่า เป็นเรื่องที่น่ารู้สำหรับคนทุกคนและถึงแม้จะเป็นเรื่องเพียงสั้นๆแต่ถ้าอ่านให้ละเอียดแล้วก็คงจะได้หลักเกณฑ์ที่จะนําไปปฏิบัติเพื่อบรรเทาการมฉันทะของตัวเองให้น้อยลงได้ข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อหวังผลเพียงแค่นี้เท่านั้นไม่ได้หวังผลถึงกับจะทําให้คนอ่านหนังสือเล่มนี้ตัด ก, กิเลสในเรื่องนี้ได้อย่างเด็ดขาด ข้าพเจ้ามองเห็นความจําเป็นที่คนเราทุกคนควรจะต้องหาทางบรรเทากิเลสอันนี้ให้น้อยลงตามวัยไม่เช่นนั้นแล้วโลกนี้จะต้องลุกเป็นไฟเพราะตารหาราคะของคนทั้งหลายจะรุนแรงยิ่งขึ้นซึ่งเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมและสิ่งยั่วเยั่วในปัจจุบันนี้มีมากมายเหลือเกินที่จะชักจูงให้คนทั้งหลายหลงในทางนี้มากโดยลําดับ กิเลสอันนี้เหมือนไฟซึ่งมีทั้งคุณและโทษถ้าหากไม่ควบคุมให้ดีแล้วไฟก็จะเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างให้พินาศลงหมดหรือไม่คนที่ตกเป็นทาสของกิเลสอันนี้ก็จะถูกกิเลสอันนี้เผาเหมือนอยู่ในนรกทีเดียวข้าพเจ้าหวังว่าท่านที่ได้อ่านหนังสือเรื่องนี้เข้าใจและมองเห็นประโยชน์คงจะได้ช่วยกันหาทางเผยแพร่เอกสารอันนี้ ให้เป็นที่รู้จักกันกว้างขวางยิ่งขึ้นพรรัตนสุวสรรณ3พฤษภาคม2516เรื่องวิธีคลายกามฉันทะกิเลสอันหนึ่งที่มีคุณและโทษมากก็คือกามฉันทะซึ่งแปลว่าความพอใจในกามและกามในคำนี้ ก็ไม่ได้หมายความแต่เพียงในเรื่องเกี่ยวกับความใคร่หรือความกำหนัดในทางเพศเท่านั้นคําว่ากามมีความหมายกว้างคือหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสต่างๆที่เราพอใจรักใคร่ยินดีปรารถนาอยากได้โดยในยะนี้ความพอใจเรื่องอาหารที่อยู่เครื่องนุ่งหม่มของเล่นชื่อเสียง หรืออะไรก็ตามที่เราพอใจก็เรียกว่ากามทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นโปรดทำความเข้าใจให้ดีว่าคำว่ากามาฉันทะมีความหมายกว้างมากและเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษากันให้ละเอียดจึงจะกล่อมกลาวกิเลสอันนี้ได้และเอามาใช้แต่ในทางที่มีประโยชน์ได้คุณของกามฉันทะกิเลสอันนี้ที่ว่ามีคุณ ก็เพราะการที่คนเราจะมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าตลอดทั้งจะสามารถปฏิบัติธรรมเพื่อล้ากิเลสทุกอย่างในสันดานก็ต้องอาศัยกามฉันทะกามฉันทะเป็นแรงบันดาลสําคัญที่จะให้คนเรามีความก้าวหน้ามีความภาคเพียรในการประกอบกิจการงานต่างๆขอให้พิจารณาดูคนที่ได้อาหารดีได้เสื้อผ้าดี ได้ที่อยู่ที่ทำงานดีได้แต่งงานดีได้เพื่อนดีได้ลูกดีสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเราเข้าใจกันดีว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คนเราคิดก้าวหน้ามีกำลังใจต่อสู้อุปสรรคต่างๆทั้งนี้ก็เพราะในเมื่อเรามีความพอใจอยากได้สิ่งใดเมื่อได้สงความปรารถนาก็ทำให้มีความสุขมีกำลังใจ นี่คือคุณของกามฉันทะโทษของกามฉันทะก็เช่นเมื่อเราพอใจอยากได้สิ่งใดแต่ไม่ได้ก็จะเกิดความเสียใจหมดกำลังใจไม่คิดอยากจะทำอะไรและถ้าหากผิดหวังมากๆโดยเฉพาะในสิ่งที่ตัวเองรักมากก็จะเกิดความเสียใจอย่างสุดซึ้งความเสียใจอันนี้จะฝังอยู่ในจิตใจเป็นเวลานาน ยากที่จะถอนออกมาได้นอกจากนี้ความผิดหวังหรือการถูกขัดขวางในเรื่องเกี่ยวกับการมาฉันทะยังจะทำให้เกิดโทสะเกิดการประทุสร้ายและเกิดเหตุร้ายแรงได้หลายอย่างและที่ร้ายที่สุดก็คือคนที่ไม่สามารถจะรังงับหรือคลี่คลายกามาฉันทะได้ก็จะไม่สามารถเข้าสมาธิได้นั่งสมาธิทีไร ถ้าไม่ง่วงนอนก็ฟุ้งซ่านหรือไม่ก็เป็นทั้งสองอย่างและนอกจากนี้กามาฉันทะยังสามารถที่จะชักจูงคนเราให้ทำความชั่วหรือทำบาปกรรมได้มากมายซึ่งในที่สุดก็จะต้องได้รับผลจากบาปกรรมนั้นๆคนที่จะไปเกิดในอวายภูมิสาเหตุใหญ่ก็คือกามาฉันทะนี่แหละในชีวิตประจำวัน ไม่มีกิเลสอันไหนที่จะเป็นอันตรายต่อคนเรายิ่งไปกว่าการมาฉันทะและขอให้สังเกตไว้ด้วยว่าคนที่จะเกิดมาสมองไม่ดีสมองทึบนั้นก็เป็นเพราะความกดดันในทางอารมณ์ซึ่งติดสันดานมาตั้งแต่ชาติก่อนและตัวการที่ก่อให้เกิดความกดดันก็คือการมาฉันทะนั่นเองข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่า กิเลสอันนี้มีทั้งคุณและโทษสิ่งใดมีทั้งคุณและโทษถึงแม้เราจะเห็นโทษเข้ามันแต่เนื่องจากมันมีคุณด้วยฉะนั้นจึงทําให้คนเราละมันไม่ได้ง่ายๆเว้นไว้แต่ว่าจะมีสิ่งอื่นมาชดเชยเท่านั้นจึงจะละได้ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเห็นเป็นการจําเป็นที่ทุกคนควรจะได้เรียนรู้ถึงกิเลสอันนี้ ซึ่งในเมื่อรู้และปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วผลที่ได้รับก็คือกามาชันทะจะค่อยๆเปลี่ยนรูปเป็นไปในทางที่ดีขึ้นโดยลำดับแต่ถ้าหากคนไหนไม่เข้าใจถึงกิเลสตัวนี้พยายามตั้งหน้าแต่จะบังคับหรือไม่ก็ปล่อยตัวไปตามอารมณ์นั้นจะไม่มีทางเอาชนะมันได้เลยมีแต่จะก่อให้เกิดความยุ่งยากมากขึ้น โดยปกติการที่คนเราจะละ ก, กิเลสอันไหนได้พระพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักเอาไว้ว่าจะต้องรู้ถึงความเกิดความดับคุณและโทษและการออกไปจากกิเลสนั้นต้องรู้แจ่มแจ้งในประเด็นทั้งห้าข้อนี้จึงจะสามารถลนได้อันหนึ่งควรจะรู้ไว้ก่อนว่าเรื่องกามฉันทะเป็นสิ่งจาเป็น และมีประโยชน์สำหรับมนุษย์ปุถุชนโดยทั่วไปและเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับร่างกายอย่างใกล้ชิดมันคล้ายกับความหิวซึ่งเราได้เห็นแล้วว่าความหิวเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับร่างกายเพราะความหิวหมายถึงอาหารในร่างกายมีไม่พอกับความจําเป็นความหิวก็คือสัญญาณที่เตือนให้รู้ว่าขณะนี้อาหารไม่มีแล้ว จะต้องหาอาหารมาให้ร่างกายใหม่ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วร่างกายก็จะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ตัวการมาฉันทะก็เหมือนกันกิเลสอันนี้ละได้ยากที่สุดก็เพราะมันเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้คนเราเกิดมาตลอดทั้งความเป็นไปและการสืบต่อของร่างกายก็ขึ้นอยู่กับกิเลสอันนี้ ตราบใดที่คนเรายังมีความรู้สึกรักชีวิตหรือรักร่างกายรักตัวตนอันนี้อย่างเหนียวแน่นยังต้องการมีชีวิตอยู่เสมอตราบนั้นกามฉันทะจะละไม่ได้นอกจากจะพยายามกล่อมกล่าวเพื่อให้ดีขึ้นเท่านั้นอันหนึ่งควรเข้าใจไว้ด้วยว่าคําว่ากามฉันทะนั้น จะเรียกว่ากามราคะหรือกามตัญหาก็ได้เพราะมีความหมายอย่างเดียวกันและที่ว่าร่างกายของคนเราเอากําเนิดมาจากกามาฉันทะนา น, นไม่ได้มีความหมายแต่เพียงว่าเพราะพ่อแม่มีกามาฉันทะต่อกันเราจึงได้เกิดขึ้นมาไม่ได้มีความหมายเพียงแค่นั้นแต่มีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมากกล่าวคือ วิญญาณที่จะมาปฏิสนธิในท้องแม่และต่อมาก็ได้สร้างร่างกายขึ้นมาน้นจะต้องเป็นวิญญาณที่ยังมีกามฉันทะถ้าหากวิญญาณของผู้ใดไม่มีกามาฉันทะอยู่ในสันดานเลยเพราะละกามฉันทะได้เด็ดขาดวิญญาณบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสอันนี้แล้วก็จะมาเกิดเป็นคนอีกไม่ได้หลักอันที่กล่าวมานี้ ขอให้พิจารณาให้ซึ้งในเมื่อเรารู้แล้วว่าร่างกายได้เอากำเนิดมาจากวิญญาณคือวิญญาณเป็นผู้สร้างขึ้นมาและสภาพของร่างกายอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ล้วนแต่เป็นร่างกายที่เกิดมาจากกรรมฉันทะซึ่งมีอยู่ในวิญญาณที่มาปฏิสนธิเพราะฉะนั้นสภาพของร่างกายในเมื่อเจริญเติบโตขึ้นมาถึงระยะที่เป็นหนุ่มหรือเป็นสาว วิะตัวนี้ก็จะแสดงอิทธิพลออกมาหรือปรากฏตัวออกมาอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวและมันมีอํานาจมากในฐานะที่คอยบงการให้คนเราต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ต้องดิ้นรนอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้เกิดความสมความปรารถนาในทางกาม m ฉันทะและยากที่ใครจะเอาชนะมันได้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะนอกจากอารมณ์ภายนอก จะเป็นสื่อยั่วย้ายให้เกิดการมฉันทะแล้วสภาพของร่างกายเองก็จะเป็นสื่อที่จะยั่วย้ายให้เกิดการมฉันทะอยู่เสมอในทำนองเดียวกันกับร่างกายที่จะต้องมีความหิวอยู่เสมอในเมื่ออาหารในร่างกายไม่มีเพราะถูกย่อยไปหมดแล้วจงสังเกตดูให้ดีว่าตัวการมฉันทะมันจะเกิดตามจังหวะหรือตามเวลาของมัน คือมันเคยเกิดเวลาไหนได้สิ่งแวดล้อมอย่างไรเมื่อถึงเวลาและได้สิ่งแวดล้อมอย่างเดียวกันกามฉันทะก็จะเกิดขึ้นทันทีด้วยเหตุนี้การละ ก, กามฉันทะจึงเป็นเรื่องยุ่งยากมากแต่ก็อย่าลืมว่าถ้าคนไหนไม่คิดที่จะคลี่คลายความรู้สึกอันนี้เพื่อให้เป็นไปในทางที่ดีแล้ว จะไม่มีทางพ้นจากความทุกข์ได้เลยเป็นอันขาดและถ้าหากพูดกันถึงความเป็นจริงแท้ๆแล้วกามาฉันทะให้โทษมากกว่าให้คุณดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่านาหากหาปนวัเสนติติกาเมสุวิชชิติอปัสสาธาทุขากามาอิติวิญญาะปันฑิโตอาปิทิเพสุกาเมสุ ราจิงโสนาทิคัตชติตันหักคยระโตโหติสัมมาสัมพุทธสาวกโกแม้ฝนจะตกลงมาเป็นกระหาปะนะัะคือเป็นเงินหรือเป็นทองก็ไม่อาจจะทำให้คนเราอิ่มในเรื่องกามได้กามทั้งหลายมีคุณน้อยจะมีโทษมากเพราะฉะนั้นบัณฑิตที่รู้แจ้งความจริงอย่างนี้แล้ว ย่อมไม่ยินดีหรือไม่ปรารถนาแม้ในการที่เป็นทิปแต่จะยินดีในอันที่จะทำให้ตันหาหมดสิ้นไปสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมจะมีแนวความคิดอย่างนี้เสมอก่อนอื่นขอให้ท่านผู้อ่านโปรดเข้าใจไว้ก่อนว่าข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้ก็โดยอาศัยหลักวิชาและข้อเท็จจริงที่ได้เคยประสบมาด้วยตัวเอง และรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวและเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาการอย่างละเอียดไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถนามาแก้ปัญหาได้และเท่าที่เขียนมานี้ก็ไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะให้คนเราโดยทั่วทไปลากกามาฉันทา ก, กันให้เด็ดขาดทั้งนี้ก็เพราะข้าพเจ้ารู้ดีว่าเรื่องอย่างนี้เป็นไปไม่ได้สำหรับคนส่วนใหญ่ คือเข้าจะปฏิบัติตามไม่ได้เท่าที่เขียนมานี้เป็นเพียงอุบายเพื่อจ ะ, จะคลี่คลายหรือบรรเทาความรู้สึกในด้านนี้ให้มันอ่อนลงและให้มีเหตุผลมากขึ้นจนกระทั่งเราสามารถที่จะใช้ความรู้สึกอันนี้เป็นไปแต่ในด้านดีคือในด้านพัฒนามิให้ความรู้สึกอันนี้เป็นไปเพื่อทําลายความก้าวหน้าหรือความเจริญในด้านต่างๆ และเรื่องนี้ก็เป็นการเขียนสำารับคารวาสโดยทั่วไปไม่ได้มุ่งเพื่อจะให้คนทั้งหลายละ ก, กิเลสอันนี้และพากันไปบวชเพราะเหตุที่ขระพเจ้าตั้งจุดหมายไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นการอธิบายใดๆที่จะนำมาเขียนไว้ในที่นี้ขอให้เข้าใจว่าเป็นการพูดในฐานะคารวาสกับคารวาสเพื่อที่จะหาทางแก้ไขกิเลสอันนี้ของตัวเองให้ดีขึ้น ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าคนที่จะละกามฉันทะได้จะต้องรู้ถึงความเกิดความดับคุณและโทษและการออกไปจากกามฉันทะสําสหรับในตอนนี้ข้าพเจ้าจะได้พูดถึงเรื่องความเกิดและความดับของกามฉันทะต่อการเกิดของกามฉันทะกามฉันทะหมายถึงความพอใจรักใคร่ ความปรารถนาความต้องการในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่เราพอใจรักใคร่และตามหลักวิชาคําว่ากามแบ่งออกเป็นสองอย่างคือวัตถุ ก, กามและกิเลสกามวัตถุกามหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งเป็นสิ่งภายนอกส่วนกิเลสกามหมายถึงความรักความใคร่ความพอใจ หรือความยินดีที่มีอยู่ในจิตใจคนที่มีกามาฉันทะนอกจากจะหมายถึงมีความพอใจในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วอีกในหนึ่งหมายถึงพอใจในกิเลสของตัวอยากจะให้กิเลสยังคงมีอยู่ในสันดานไม่คิดที่จะละพยายามที่จะรักษาหรือเลี้ยงมันไว้อย่างที่คนส่วนมากมักจะรู้สึกว่า ถ้าความรักหรือความใคร่จืดจางไปจากจิตใจแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาจะหมดความสนุกคนส่วนมากไม่ต้องการที่จะให้ความรู้สึกอันนี้หมดไปถ้าหากมันเกิดหมดไปหรือตายได้ด้วยเหตุใดก็ตามก็พยายามหาทางที่จะแก้ไขให้มันกลับฟื้นขึ้นมาอีกและบางคนก็พยายามหาทางที่จะยั่ว ให้ความรู้สึกอันนี้เข้มข้อนอยู่เสมอคนที่มีความคิดเห็นแบบนี้ก็คือตัวอย่างของคนที่มีความพอใจในเรื่องกิเลสอย่างรุนแรงพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าสุภาสัญญาเป็นเหตุให้เกิดกามฉันทะอสุภาสัญญาเป็นเหตุให้ละกามฉันทะสุภาสัญญาหมายถึงการกำหนดหมายและจาไว้แต่ในแง่ที่สวยงาม หรือในแง่ที่ตนเองพอใจเช่นอย่างการพิจารณาบุคคลเมื่อเรามองดูแต่ในแง่สวยงามเราก็จะเกิดกามฉันทะแต่ถ้าพิจารณาในแง่ที่ไม่ดีและรู้สึกเห็นว่าไม่ดีจริงๆการมฉันทะก็จะไม่เกิดโดยปกติในชีวิตของคนธรรมดาเมื่อมีความพอใจรักใคร่สิ่งใดก็จะมองดูสิ่งนั้นตามแง่ที่ตนพอใจ ถึงแม้ในบางครั้งจะมองเห็นในแง่ที่ไม่ดีหรือในแง่ที่ไม่สวยงามมันก็เป็นแต่เพียงปฏิกิริยาของการมองในแง่ดีเท่านั้นกล่าวคือเมื่อคนเราเห็นลักษณะไหนเป็นแง่ที่ตนเองพอใจเมื่อไปเห็นสิ่งที่มีลักษณะตรงกันข้ามก็ย่อมจะไม่พอใจไม่อยากได้หรือบางทีก็อาจจะถึงเกลียด ความคิดของคนธรรมดาจะต้องเวิรนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาขอได้โปรดเข้าใจว่าแม้ความไม่ชอบก็ถือว่าเป็นกามฉันทะเช่นเมื่อเราพบอาหารที่เราไม่ชอบเราก็ไม่อยากจะรับประทานความไม่อยากอันนี้ก็เรียกว่ากามฉันทะซึ่งความจริงก็คือปฏิกิริยาของกามฉันทะนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าหลงผิดว่า ความไม่ชอบไม่อยากได้ไม่ใช่ตัวกามฉันทะเพราะกามฉันทะแปลว่าความพอใจรักใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสการดับของกามฉันทะความรู้สึกที่ตรงกันข้ามกับฉันทะจริงๆนั้นคือความรู้สึกปฏิกูลเช่นเมื่อเราพิจารณาดูร่างกายแทนที่เราจะนึกไปในแง่ที่สวยงาม เรากลับไปนึกในแง่ปฏิกูลต่างๆเช่นนึกว่าร่างกายของเรานี้เต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำหนองเหงื่อใครและอวัยวะต่างๆแต่ละชิ้นในเมื่อแหวะออกมาดูแล้วล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่น่ารักแม้กระทั่งผมและฟันที่เราเห็นว่าสวยงามนั้นถ้ามาลุษออกมาอยู่ในอาหาร แม้ว่าผมหรือฟันจะได้ล้างแล้วอย่างสะอาดแต่เราก็จะรู้สึกรังเกยียจต่ออาหารที่มีผมหรือมีฟันหล่นอยู่ในนั้นการพิจารณาอย่างนี้หรือการมองในแง่นี้เราจะเกิดรู้สึกปฏิกูลซึ่งเป็นความรู้สึกที่ตรงกันข้ามกับความรักและความใคร่อันนี้ไม่ใช่ตัวกามาฉันทะขอให้สังเกตดูว่าการมองในแง่ปฏิกูล และรู้สึกรังเกียจขึ้นมาเช่นนี้ย่อมจะมีเหมือนกันหมดไม่ว่าเราจะมองดูคนที่สวยหรือไม่สวยก็จะรู้สึกแบบเดียวกันเพราะว่ามันมีความเป็นปฏิกูลเหมือนกันแต่ในกรณีที่เรามองเห็นคนบางคนมีใบหน้ามีผิวพรรณหรือมีลักษณะอะไรก็ตามที่เราไม่ชอบและเราก็ไม่รักไม่พอใจ อันนี้ก็คือปฏิกิริยาหรือเงาของการมฉันทะนั่นเองโปรดแยกให้ดีว่าความรู้สึกปฏิกูลกับความรู้สึกไม่ชอบไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ความรู้สึกทั้งสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันถ้าความรู้สึกปฏิกูลเกิดขึ้นเราก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายคลายความรักความยินดีความยึดถือในทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีพ่อยกเว้น ส่วนความรู้สึกที่เป็นปฏิกิริยาหรือเป็นเงาของกามฉันทะนั้นเป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเฉพาะบางอย่างไม่ใช่ทั่วไปและอีกอย่างหนึ่งความรู้สึกปฏิกูลเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้ใจสงบทาให้กิเลสต่างๆคลายตัวออกแต่ความรู้สึกที่เป็นปฏิกิริยาของกามฉันทะนั้นไม่ได้ทำให้กิเลสลดน้อยถอยลงไป ไม่ได้ทาให้เกิดความสงบกิเลสเคยมีเท่าไรมีอยู่อย่างไรมันก็คงมีอยู่อย่างนั้นคนที่มีความรู้สึกปฏิกูนเกิดขึ้นในใจแล้วจะทำให้เข้าสมาธิง่ายแต่คนที่มีปฏิกิริยาของกามฉันทะกลุ่นอยู่ในใจไม่จางไปจากความรู้สึกในใจนั้นจะเข้าสมาธิไม่ได้นี่คือข้อที่แตกต่างกัน ความแตกต่างของความรู้สึกทั้งสองอย่างนี้โปรดจําไว้ให้ดีสุภสัญญาเป็นเหตุให้เกิดกามฉันทะส่วนปฏิกูลสัญญาเป็นเหตุให้ละ ก, กามฉันทะแต่อย่างไรก็ดีเหตุที่กล่าวมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งและก็โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าการมองในแง่ดีคือในแง่ที่เราพอใจรักใคร่นั้น ไม่ใช่หมายถึงเฉพาะแต่การมองดูร่างกายในแง่สวยงามเท่านั้นจึงจะเรียกว่าสุภาษัญญาการพิจารณาดูเสื้อผ้าอย่างไหนสวยอย่างไหนไม่สวยอาหารอย่างไหนอร่อยอย่างไหนไม่อร่อยบ้านอย่างไหนสวยอย่างไหนไม่สวยอย่างนี้เรียกว่าสุภาษัญญาโปรดสังเกตว่าเมื่อเรามองดูสิ่งไหน เห็นว่าสิ่งนั้นดีอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้กามฉันทะคือความพอใจรักใคร่ก็จะเกิดขึ้นทันทีอันหนึ่งโดยปกติสําหรับปูุ่ชนกามาฉันทะย่อมเกิดอยู่เสมอทุกขณะจิตสาหรับปู่ทูชนกามาฉันทะที่จะไม่เกิดมีอยู่เพียงขณะเดียวคือในขณะที่เข้าสมาธิ และจิตเป็นสมาธิเท่านั้นเพราะในขณะที่จิตเป็นสมาธินั้นจิตจะสงบนิ่งจำสายเบิกบานและพร้อมกันนั้นในใจจะไม่มีความนึกคิดวอกแวกหรือไป น, นึกถึงสิ่งภายนอกเลยตอนนี้เท่านั้นที่กามาฉันทาสงบและสงบในคำนี้ก็หมายความแต่เพียงว่ามันตกตะกอนคือหมายความว่าในจิตสํานึก กา ม, มาฉันทะไม่มีแต่มันมีอยู่ในจิตไร้สำนึกหรือยังคงมีอยู่ในสันดานเหมือนกับเราเอาน้ำที่ขุนมาใส่ขวดถ้าตั้งทิ้งไว้นานๆเมื่อ น, น้ำมันนิ่งตะกรอนก็จะนอนอยู่ก้นขวดน้ำข้างบนใสแต่ข้างล่างขุนข้อนี้ฉันใดในขณะที่เราเข้าสมาธิได้กา ม, มาฉันทะก็จะตกตะกรอน คือไม่ฟุ้งซ่านขึ้นมาอยู่ในจิตสํานึกแต่เมื่อเราออกจากสมาธิกระทบกับอารมณ์ภายนอกเมื่อใดกามฉันทะที่สงบอยู่ภายในมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกเมื่อนั้นได้กล่าวมาแล้วว่าสุภาสัญญาเป็นแต่เพียงสาเหตุอันหนึ่งที่ทําให้กามฉันทะเกิดขึ้นปฏิกูลสัญญาก็ไม่ใช่สาเหตุโดยตรงที่จะทําให้ละ ก, กามฉันทะได้ เรื่องนี้มีรายละเอียดที่จะต้องอธิบายกันอีกมากสำหรับในตอนนี้จะขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อน